แล้วเริ่มเจริญวิปัสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายนางมีญาณแ ก, ก่กล้าเพราะสมบโภ์ด้วยอุปนิสัยอยู่แล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหัสต์ั้นบร ร, รลุพระอรหันต์แล้วพระเถรีนี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเมื่อฉันพัดแล้วได้ออกจากกรุงสาวัตถีเข้าสู่ป่าอันทวันเพื่อต้องการพักผ่อนกลางวันนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง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 ก็มารไม่รู้ว่านิพพานประจักษ์แก่เราแล้วและยังเชื้อเชิญให้เรายินดีกามมารไม่รู้ว่าเราสิ้นอาสวะแล้วเราจะคุกคามเขาจึงกล่าวสองคาถาว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาเป็นเพียงรองสับขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกามที่ท่านพูดถึงเรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้ว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 คาถานั้นมีอธิบายว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกและเหลาเพราะเสียบแทงสัตว์ผู้หลงติดไวความยึดมั่นในกามนั้นมาจากความยึดมั่นในอุปทานขันห้าแต่พระเถรีเห็นกามทั้งหลายเป็นดุจอุจาระไม่ยินดีแล้วท่านกำจัดมานแล้วเพราะทำลายกำลังและล่วงพ้นวิสัยของมานแล้ว